เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกัปที่แล้วเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีภาษาริบุตรของเรานั้นก็ได้เกิดในยุคนั้นยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีในที่สุดแห่งหนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกัปนับถอยหลังตั้งแต่กัปนี้เป็นต้นไปภาษาริบบทนั้นได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสาลมีชื่อว่าสารธรรมานพ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 ก็เลยมีความคิดว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้คือพ่อปู่เป็นต้นยนยะย่อมมีความตายเป็นที่สุดเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเราควรบวชแสวงหาโมฆะธรรมเถิดควรบวชเพื่อสแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดความตายเถิดคือวิโมกหรือโม ก, กะธรรมหรือวิโมกเนี่ยหมายถึงธรรมที่ทําให้พ้นจากความเกิดและความตาย ธรรมที่ทําให้รู้แล้วพ้นจากความเกิดความตายธรรมะนั้นคืออะไรเนอะแสวงหาเถอะพอคิดได้อย่างนี้ก็เข้าไปหาเพื่อนเสวะถากุดมพีว่าเพื่อนเอ้ยเรานี่มีความประสงค์จกบวชท่านเล่าจากสามารถเพื่อจะบวชไหมเพื่อนบวชกันเถอะเ น, นี่ยนะเพื่อนก็ บ, บอกว่าเราไม่สามารถจะบวชได้หรอกเ น, นี่ยเพื่อนก็ปฏิเสธแล้วเขาบอกบวชไม่ได้เ น, นี่ยนะ ก็เลยบอกว่าตามใจเธอเราจะบวชคนเดียวยก็เลยปรารพถึงกรรมมัสกาาเส้นทางของผู้เดียวที่ไปในสังสารวัฏนนก็เลยบวชก่อนที่จะบวชก็ใช้ให้คนใช้เปิดประตูเรือนคลังสำหรับเก็บรัตนาะออกมาให้มหาทานแก่คนกาพร้าและคนเดินทางเป็นต้นเข้าไปยังเชิงมันพดบวชเป็นฤาษีพวกบุตรพรามประมาณ 74,000 พันคนก็พากันบวชตามสารธมานุป แสดงว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพของคนจำนวนมากอยู่แล้วสารทามานพนั้นบวชแล้วก็รรอภิญญาหสมาบัตร8ให้เกิดขึ้นแล้วก็บอกการบริกรรมกสินหรือวิธีการเจริญสมถะให้แก่บริวารเชลดินทั้งหมดเหล่านั้นที่เป็นบริวาร7 4 0 0 0พก็ได้อภิญญาหสมาบัติ8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 เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับให้ฟังว่าในการครั้งนั้นเนี่ยนะเราเป็นดาบทชัชวสุรุจิเป็นดาบทผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีปกติเพ่งฌานยินดีในฌานทุกเมื่อบรรลุถึงฝั่งแห่งอภิญญาห้าและพะละห้าคือวสีทั้งห้าอยู่ในอาสมที่สร้างเรียบร้อย อยู่ในป่าที่น่ารื่นรมอันเป็นป่าที่บริบูรณ์ไปด้วยใบไม้ไม้ดอกและไม้ผลทุกสิ่งสิทธ์ของเรานี่มีสองหมื่นสั้างก่อนบอกว่า 74% ็ดหมื่นสีพอ่ะลูกศิษย์ของเรานั้นเป็นพราหมณ์ทั้งหมดผู้มีชาติมียศแต่ละคนนี่ชาติตระกูลก็สูงแสดงว่า24งหมนี่พันนี่เป็นกลุ่มหัวหน้านะกลุ่มบริวารอีกต่างหากก็ว่าสิทธิชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะ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 แต่ที่แน่ๆว่าสิทธิบรรลุ ก, ก่อนอาจารย์เนี่ยนะะพูดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยถึงข้อปฏิบัติของสิทธิเหล่านี้เป็นผู้สมควรมีความเคารพในกันแลกกันทุกท่านนี่เคารพกันมากเสียงไอเสียงจามของสิทธิทั้ง 24,000 พก็ไม่มีท่านเหล่านี้ใช้ซ้อนเท้าเลื่อมเท้าเงียบเสียงสังวรดีทุกคนเงียบสงบเข้ามาไหว้เราด้วยเสียงกล้าวเป็นผู้เพ่งฌานยินดีในฌาน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 เมื่อดอกไม้ทั้งหลายบานเมื่อผลไม้ทั้งหลายสุกกลิ่นหอมตลบอบอวนทำอาสมของเราให้งามเราออกจากสมาธิคือออกจากชานแล้วมีความเพียรมีปัญญาเอาภาระคือหาบเข้าป่าไปแสวงหาผลไม้ในครั้งนั้นเราศึกษาชนานาญในลางดีลางร้ายฝันดีฝันร้ายตำราทำนายลักษณะลักษณะมนกํำลังเป็นไป เรีว่าคัมภีร์มหาปริศลักษณะนี่เรียนจบมาหมดเห็นคนปั๊บรู้เลยว่าคนนี้มันคือใครแค่ไหนอย่างไรไหมไหมสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีเป็นผู้ประเสริฐในโลกภาษาริบุตรที่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะคือท่านชมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับภาษาริบุตรแล้วเรื่องชื่นชมพระพุทธเุ้สรราะฉะนเรพระฉะนั้นถเกี่ยวกิ่เ้มีปญ่ยนพระพุทธเจ้าเพราะฉะ้นเพราะฉเก่ยวกภาษาลิบที่เป็นผูาเ่ย พระอนุมัตสีเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนระผู้องค์อาจพระพุทธเจ้านั้นทรงไข้กายวิเวกต้องการจรีกเรนเพื่อเข้านิโรธสมาบัติพระอนุมัตสีนั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปยังป่าหิมวันพระองค์ผู้เลิศเป็นมุนีผู้มีโมนายธรรมประกอบด้วยกรุณามุ่งที่จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์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 ก็ได้นำเอาดอกไม้มาแปดดอกบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดไม่รู้ทํำยังไงแล้วก็เด็ดดอกไม้กัไขนะบูชา8ดอกก็ยังดีของเราก็แปลได้ว่าดอกคืออริยมรรคทั้งนั้นนะพอแล้วแต่จะนับตัวเลขไปนะนะครั้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะทั้งสี่กามโมคะทิถุคะพะโวคะผู้ปราศจากอวิชชาสะวาการ ม, มาสะวาทิฐาสะวาอวิชชาสะวะแลว้ว ก็ทำหนังเสือดาวเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนำมัสกมกันนอบน้อมพระผู้นำของโลกทัโลกก็นายกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะพระองค์นั้นทรงอยู่ด้วยพระยานใดเราจะประกาศพระยานนั้นชมพระยานของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มียานอะไรบ้างท่านทั้งหลายจงฟังคาของเราเราจะกล่าว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 น้ำทะเลเนี่ยนะอาจจะประมาณได้ด้วยมาตราตัวงน้ำทะเลนี่คำนวณได้ใช่ไหมว่ามันกี่ลูกบาตรตารางกิโลเมตรคำนวณได้นะว่ามีกี่ลูกบาตรตารางไม่เนี่ยนะวัดเบ็ดเสร็จสรุปว่าคำนวณได้แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นถ้าอย่างน้ําทะเลใช่ไหมถ้าเราจะคํานวณ น, น้ําทะเลว่า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 แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณท่สัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยสมมุติว่าแผ่นอย่างแผ่นดินใช่ไหมท่าดินเนี่ยลึกเข้าไปเท่าไหร่และกว้างเท่าไหร่ก็มีการคํานวณตราตวงดูก็รู้แล้วว่าอย่างโลกนี่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่เนี่ยนะเราคำนวณปุ๊บจะรู้แล้วว่าโลกนี่แผ่นดินนี้ควรจะหนาเท่าไหร่วิทยาศาสตร์ก็คํานวณได้หมดนะแต่ว่าสัพพัญยุตยานก็ไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปคํานวณว่าพระองค์มีเท่านี้อย่างนี้ ไม่รู้จะคำนวณกันว่าอย่างไรอันนี้อากาศบ้างนะ น, น้ำดินอากาศอากาศว่าอาจจะวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือนิ้วมือนะแต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยไม่รู้ประมาณยังไงในพระยานของพระพุทธเจ้าพิ่งประมาณลำน้ำในมหาสมุทรเพิ่งประมาณแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพระพุทธยานมาประมาณนั้นไม่ควรนไ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 สัตว์เหล่านี้เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์คือทุกคนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมทุกคนเนี่ยต้องการเห็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ารอบรู้สัตว์ทุกคนทั้งหมดเลยแต่ละคนเนี่ยแค่ไหนและอย่างไรเพราะพระองค์ยังรู้อดีตไม่มีสุดอนาคตไม่มีสุดสัตว์ทั้งหลายมีเจริญมีอธิมุตมีอัธยาสายัยมีอนุสัยเป็นอย่างไรพระองค์รอบรู้เขาทั้งหมดค่ะแต่พระองค์ผู้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 จริงๆทั้งที่สุรุจิดาบทนั้นถือว่าอยู่คนละนอกาศาสนานนในตอนนั้นแต่พอเห็นพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยโหตำหนิสายลทัทธิอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาหมดเลยหลังจากที่สุรุจิดาบทชมเสร็จแล้วก็ปูราดหนังเสือบนแผ่นดินแล้วก็นั่งอยู่เสร็จแล้วก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าบัดนี้ขุนเขาสูงสุดยางลงในสู่ห่วงมหานบแปพนย แผนคุณเขาสิเนรุเนี่ย abeth, หรือภูเขาเมรุมาตรเนี่ยย่างลงในทะเลเนี่ยพันยอคุณเขาสิเนรุทั้งด้านยาวและด้านกว้างสูงสุดก็เพียงนั้นถ้าจะสูงขึ้นไปอีกก็8 4 0 0พันโยกวัดโดยส่วนยาวกว้างก็8 4 0 0พันยอดทำให้ละเอียดได้ด้วยประเภทการนับว่าแสนโกด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 หลงอยู่ด้วยการรูปคลำเดรธีเหล่านั้นเข้าไปในข่ายด้วยพระยานอันบริสุทธิ์อันแสดงว่าไม่มีอะไรห้ามได้อนาวรณายานรู้อย่างไม่มีอะไรขัดอะไรขวางของพระองค์เดรธีเหล่านั้นเนี่ยไม่ล่วงพระยานของพระองค์ไปได้เลยเนะคือพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเหมือนไงเหมือนเอาตาข่ายสมมติถ้าเป็นบ่อน้าเล็กๆ เ, เนี่ยนะถ้าใครเคยทาปนาติบาจะนึกออกไม่ยาก โดยสมมติมันมีบ่อ น, น้ําเล็กๆแองน้ําเล็กๆสักแองหนึ่งเนี่ยนะเอาตาข่ายตาทีทีในพียิบเลยแหล ะ, ะแล้วก็ไปตักเอมามาจะสัตว์แทบน่ห น, น่าแทบจะหมดฉั้นในพระสัพพายุตยานของพระองค์เนี่ยเหมือนกับว่ามันตวงลักทีทิฐิเหล่านั้นได้ทั้งหมดคล้ายกันฉันนั้นก็สมัยนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมทัสผู้มียศใหญ่ทรงชำนะกิเลสเสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงตรวจดูทิ พระอัครสาวกนามว่านิสภะของพระมุนีพระนามว่าอนุมัตสีทรงทราบพระดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอันพระขีนาศพหนึ่งแสผู้มีจิตสงบระงับมั่นคงบริสุทธิ์สะอาดได้อภินญาหกผู้คงที่คุณธรรมของพระาทหัา์นั่นเองพระาทหา์เหล่านั้นเวทล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นายกของโลกท่านเหล่านั้นอยู่บนอากาศผ่ารหารเหาะมางั้นเอะ ได้กระทาประทักษิณเวียนขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลงประนอมอัญเชลีนมัสการอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้า